บ้านร้างและสถานที่สุดเฮียนสยองขวัญในตานานบ้านร้างสาใช้ปิศนาซอยรางคําแหง32บบ้านหลังนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างมาเนิ่นนานเมื่อมองดูจากภายนอกก็ยังดูน่ากลัวน่าขนลุกคนแถวนั้นเล่า ว, ว่าบ้านหลังนี้เคยเป็นของฝรั่งคนหนึ่ง ซึ่งได้จ้างสาวใช้ไม่ทราบสัญชาติให้มาอยู่อาศัยภายในบ้านเพื่อคอยทำความสะอาดดูแล ร, รักษาแทนเขายามเขาไม่อยู่ซึ่งทุกอย่างก็เป็นปกติสุขดีจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งคนร้ายซึ่งคาดว่าน่าจะมีหลายคนได้ทำการงัดบ้านเพื่อปล้นทรัพย์และของมีค่า เมื่อสาวใช้ได้ยินเสียงแปลกๆภายในบ้านจึงลุกขึ้นมาดูแล้วก็ได้เจอกับกลุ่มโจรพวกนั้นสาวใช้ผู้โชคร้ายจึงถูกกลุ่มโจรุมทำลายจนเสียชีวิตคาที่นับตั้งแต่นั้นไปต้นมาผู้ที่ผ่านไปใกล้กับบริเวณนั้นจะได้ยินเสียงของผู้หญิงกรีดร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังและน่ากลัวเป็นอย่างมาก บางคนก็ได้พบเห็นผู้หญิงกำลังเดินอยู่ในบ้านหลังนั้นจนเป็นที่กล่าวขานกันว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านผีสิงส่วนเจ้าของบ้านชาวต่างชาตินั้นได้ย้ายออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุหรืออาจจะเป็นเพราะความเฮี้ยนของผีสาวใช้ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็เป็นได้จนทุกวันนี้ยังมีคนกล่าวว่าได้พบเห็นผู้หญิงปริศนา ยืนจ้องมองออกมาจากภายในบ้านหลังนั้นอยู่เสมอวัดมหาบุตรพระขนงตำนานของความรักแม่นาคและพี่มากพระขนงได้เริ่มต้นขึ้นทีน่นี่และที่วัดมหาบุตรแห่งนี้ยังมีสารของย่านาคตั้งอยู่ด้วยในอดีตเมื่อครั้งที่แม่นาคได้เสียชีวิตลงแล้วกลายเป็นผีเียนหลอกหลอนชาวบ้าน จนขนหัวลุกกันไปทั้งบางก็ได้เจ้าพระคุณสมเด็จพระอาจารย์โตวัดประคังมาช่วยกำลาบปราบลงได้แล้วนำวิญญาณของแม่นาคไปอบรมรักษาศีลเข้ากรรมดีจนแม่นาคได้ไปผุดไปเกิดแต่อย่างไรก็ตามวัดแห่งนี้ยังคงมีกลิ่นอายของความน่ากลัวและตำนานเล่าขานที่ยังคงหลอกหลอนผู้คน ไปอีกนานแสนนานอูรถเมเกาลซอยสายหยุดสุทารที่แห่งนี้ถูกใช้เป็นจุดทิ้งรถประจำทางรถโดยสารต่างๆที่ถูกชนหรือประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ซึ่งรถที่ถูกเอามาทิ้งแต่ละคันนั้นส่วนใหญ่ประสบอุบัติเหตุขั้นรุนแรงมาทั้งนั้น จึงมีประวัติเกี่ยวกับคนตายที่น่ากลัวด้วยรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตายหงศีรษะขาดแขนขาดขาขาดตัวขาดหรือไส้ปลิ้นทะลักออกมาบ้างซึ่งแต่ละรายนั้นตายในสภาพน่าสยดสยองทั้งสิน้นแท็กซี่บางรายที่ขับผ่านแถวนั้นมักจะบอกเหมือนๆกันว่า พบเห็นคนมาโบกรถอยู่ที่หน้าอู่พอจอดรับแล้วไปส่งยังจุดหมายปลายทางแต่เมื่อหันหลังกลับไปคิดฆ่าโดยสารผู้โดยสารคนนั้นกลับหายตัวไปเสียดือด้อหรือบางทีมีคนวิ่งตัดหน้ารถจนเกือบประสบอุบัติเหตุแถมยังมีคนพบว่าไฟของรถในสุสานนั้นเปิดเปิดปิดปิดเองอีกด้วย บ้านห้าศพซอยอินทรพิทัก1์หนึ่งวงเวียนใหญ่บ้านเช่าหลังนี้ครั้งหนึ่งเคยเกิดเหตุการณ์ที่เศร้าสลดขึ้นมีคนตายในบ้านพร้อมกันถึงห้าศพโดยมีสามศพเป็นชายวัยกลางคนเด็กชายและหญิงผูขคอตายที่ชั้นสองของตัวบ้านส่วนอีกสองศพเป็นหญิงสูงวัย นอนเสียชีวิตอยู่ที่ชั้นล่างเป็นข่าวใหญ่ครึกโครมเมื่อปลายปี2557หลังจากบ้านได้ถูกปล่อยทิ้งลางไว้ก็มีกลุ่มวัยรุ่นไปลองของที่บ้านหลังนี้โดยมีการเขย่าประตูรัวหน้าบ้านและส่งเสียงท้าทายซึ่งก็ไม่มีเสียงตอบกลับใดๆแต่จูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนสาดน้ำลงมาจากชั้นสอง ทำให้กลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวเพนหนีกระเจิงส่วนเพื่อนบ้านในละแวกนั้นบอกว่าในบางคืนเขาก็ได้ยินเสียงสาดน้ำเหมือนกันแต่พอออกมาดูพื้นกลับแห้งสนิทไม่มีร่องรอยเปียกน้ำใดๆเลยบ้านผีสิงซอยรอดอนันต์หนึ่งถนนสุขาพิบาลหนึ่งบ้านทรงไทยหลังหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่ริมบึงห่างออกไปจากบ้านอื่นๆในระแวกเดียวกันบริเวณบ้านถูกปล่อยทิ้งไว้จนรกมีต้นไม้น้อยใหญ่ปกคลุมจนทำให้ดูมืดคล้มไปหมดแม้ตอนกลางวันก็ยังดูน่ากลัวเชื่อกันว่าวิญญาณของยายแก่ที่เคยอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้หลังจากตายไปแล้วก็ไม่ยอมไปผุดไปเกิดเพราะเป็นห่วงและรักบ้านหลังนี้มาก ซึ่งลูกหลานแต่ละคนของยายแก่ไม่มีใครอยู่ได้จนต้องหนีตเตลิดแยกย้ายกันออกไปหาที่อยู่กันใหม่ปล่อยให้บ้านสุดโซมลงตามการเวลาจนถึงปัจจุบันคนแถวนั้นกล่าวกันว่าผียายแก่นั้นเฮี้ยนมากเมื่อมีคนผ่านระแวกนั้นกลางดึกจะเห็นยายแก่ภายในบ้านกำลังยืนชี้หน้าอยู่เหมือนกับจะบอกว่า อย่าเข้ามาใกล้กับบ้านหลังนี้แต่กระนั้นก็ยังมีคนใจกล้าคิดลองของเดินเข้าไปในบ้านผีสิงหลังนี้แล้วก็ได้พบเจอกับเสียงที่หาแหล่งที่มาไม่ได้ซึ่งมันเป็นเสียงเหมือนหญิงแก่กำลังขู่ตะคอกจนต้องเพ่นหนีออกมาจับไข้หัวโกรนไปหลายคน บ้านร้างผีสิงรังสิคลองสิบสาม้านหลังนี้ห่างออกมาจากถนนเข้าไปเกือบสองกิโลเมตรซึ่งบ้านถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลังแต่ยังคงเหลือส่วนตัวบ้านให้เห็นอยู่บ้างชาวบ้านแถวนั้นเล่าว่าเจ้าของบ้านนั้นเป็นผู้หญิงซึ่งถูกไฟครอกตายภายในบ้านจนไม่เหลือแม้แต่กระดูกและยังเคยมีคน ได้ยินเสียงกรีดร้องหวยหวนทรมานเหมือนถูกไฟไหมของหญิงสาวดังออกมาจากภายในบริเวณบ้านแถมบางรายยังเห็นหญิงสาวหัวโลนตัวดำไม่เกรียมยืนอยู่แถวบริเวณบ้านอีกด้วยโรงงานร้างในซอยมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตถนนพัฒนาการที่นี่ เป็นโรงงานเก่าซึ่งแต่ก่อนเป็นโรงกลึงและโรงงานผลิตปากกาขนาดใหญ่มีเนื้อที่ทั้งหมดถึง80ิไร่แต่สาเหตุที่โรงงานแห่งนี้กลายเป็นโรงงานล้างก็เพราะว่ามีพนักงานหลายรายเสียชีวิตจากอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานบางคนก็เชื่อว่าเจ้าที่แรงทำให้พบเจอกปัญหาต่างๆมากมายสุดท้าย ผู้ลงทุนขาดทุนจากกิจการจนต้องปิดตัวลงในที่สุดใครที่ได้เข้ามายังโรงงานร้างแห่งนี้จะรู้สึกได้ถึงความเย็นเ ย, ยือกที่ปกคลุมอยู่รอบบริเวณล่าลือกันว่าหากเคาะแท้งน้ำของโรงงานสามใบสามครั้งจะมีเจ้าที่ออกมาปรากฏตัวให้เห็นวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรี ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่โบราณสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลางได้เคยขุดค้นพบกำแพงเมืองรอบอุโบสถซึ่งมีอายุราวๆ3า0ปีด้านหลังอุโบสถมีคุ้มเก่าแก่ชำรุดสรุดโทรมว่ากันว่าเจ้าของสถานที่คือพระนางอุสาวดีเทวีชาวบ้านระแวกนั้นเรียกว่าแม่และเจ้าแม่ เวลากลางคืนหากไปที่บริเวณคุม้มจะมีบรรยากาศวังเวงน่ากลัวมากผู้ใดที่แสดงกริยาวาจาจับจ้วงหยาบคายไม่เคารพต่อผู้เป็นเจ้าของสถานที่ก็มักจะได้พบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆน่าขนลุกโรงงานร้างเขตอุตสาหกรรมบางปู เป็นโรงงานที่ตั้งอยู่สุดซอยสองในอดีตเคยเป็นโรงงานทำรองเท้าขณะที่กิจการกำลังดำเนินการไปได้ด้วยดีก็เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นนั่นคือเครื่องปั๊มลมเกิดขัดข้องและเกิดการระเบิดขึ้นทำให้คนงานหลายคนเสียชีวิตอย่างน่าสยดสยองนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคนงานที่เหลือ ขนาดที่กำลังทำงานอยู่ก็มักจะถูกผีหลอกเลื่อยมาจนอยู่ไม่ได้ต้องทยอยลาออกกันไปเรื่อยๆจนหมดกิจการจึงไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ทำให้เจ้าของโรงงานเครียดตัดสินใจยิงตัวตายในห้องทำงานชั้นบนของโรงงานและโรงงานนี้ก็กลายเป็นสถานที่รกรางตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เล่าลือกันว่าที่นี่ผีดุมากปัจจุบันก็ยังมีเศษรองเท้ากระจายเกลื่อนทั่วพื้นและปั๊มลมมรณะนั้นก็ยังคงอยู่ที่นี่บ้านผีสิงในซอยวัชรพลบ้านทรงยุโรปหลังใหญ่ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จถูกทิ้งร้างไว้ในสภาพเดิมเดิมเวลากลางคืนดูน่ากลัว นคนลุกเป็นอย่างมากและว่ากันว่ามีคนพบเห็นวิญญาณของชายหญิงและเด็กปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งสาเหตุที่บ้านหลูหลังใหญ่นี้กลายเป็นบ้านหลางเนื่องจากเจ้าของบ้านหลังนี้ได้พาครอบครัวของตัวเองขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดและได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหมดยกครอบครัว หมู่บ้านผีสิงซอยวัชรพลหมู่บ้านร้างแห่งนี้มีพื้นที่กินบริเวณกว้างกว่าหนึ่งรไร่มีชื่อว่าหมู่บ้านปียพรซึ่งผู้คนที่อยู่ที่นี่มานานกล่าวว่าพื้นที่ดินตรงนี้เคยเป็นป่าช้ามาก่อนและเจ้าของโครงการไม่ทำพิธีขอขมาเจ้าที่เจ้าทางก่อนเริ่มโครงการ จึงต้องพบกับอุปสรรคต่างๆนานาในการก่อสร้างหมู่บ้านแห่งนี้แม้กระทั่งคนงานก่อสร้างยังประสบอุบัติเหตุประหลาดจนเสียชีวิตไปหลายคนและในเขตหมู่บ้านนี้ยังมีบึงใหญ่อยู่แห่งหนึ่งที่เคยมีเด็กจมน้ำตายไป2อถึง3คนประกอบกับบ้านในโครงการที่ไม่มีผู้สนใจอย่างที่ประเมินเอาไว้ในตอนแรก จึงต้องยุติโครงการไปกลายเป็นหมู่บ้านร้างกลางกุง่เท่านั้นยังไม่พอยังมีเสียงล่ำลือกันว่าผู้ที่เข้าไปในเขตของหมู่บ้านยามวิการมักจะได้พบเจอกับวิญญาณออกมาหลอกหลอนทำให้ผู้ที่พบเห็นขวัญหนีดีฟอไม่กล้าที่จะกลับเข้าไปอีกเลยบ้านเสาตกน้มันจังหวัดราชบุรี บ้านทรงไทยหลังนี้แปลกประหลาดกว่าบ้านทรงไทยหลังอื่นๆโดยจะมีเสาต้นหนึ่งซึ่งเป็นเสาที่ตกน้ํามันมีน้ํามันไหลออกมาจากเสาซึ่งเสาประเภทนี้คนรุ่นคุณปู่คุณย่ามักจะเชื่อว่าเสาตกน้ํามันคือเสาที่มีนางไม้พูดผีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆอาศัยอยู่ตั้งแต่ต้นไม้ต้นนั้น ยังไม่ถูกโคลล่นล้มหรือถูกตัดลงมาบางคนที่ลบหลู่หรือไม่รู้ว่าเสาต้นนี้มีสิ่งลี้ลับอยู่ไปทำอาจารย์นุ่งน้อยห่มน้อยพูดคาหยาบด่ากันต่อหน้าเสาหรือนอนแล้วเอาเท้าไปทางเสาก็จะเกิดเหตุการณ์ร้ายต่างๆจนทำให้อยู่บ้านหลังนั้นไม่ได้เด็กความที่เป็นบ้านทรงไทยหลังนี้เป็นบ้านร้าง ไม่มีคนคอยดูแลทำให้บริเวณโดยรอบเป็นป่ามีหญ้าขึ้นลกทึบแถมยังมีเถาตาลึงขึ้นเต็มไปหมดชาวบ้านที่เข้าไปเก็บตาลึงเล่าว่าขณะที่กำลังก้มเก็บตาลึงอยู่นั้นรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในบริเวณนั้นจึงเงยหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยกาลังยืนชี้หน้าอยู่ บ้านตอมใจหนองจอหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ได้มาอยู่อาศัยกับสามีของเธอและมักจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวของฝ่ายชายอยู่เสมอทั้งสองจึงมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยู่บ่อยๆเมื่อฝ่ายชายหมดใจก็หนีออกจากบ้านไปส่วนฝ่ายหญิงที่ยังรักก็ยังคงเฝ้ารออยู่ที่บ้านหลังนี้ จนกระทั่งล้มป่วยและเสียชีวิตลงในที่สุดชาวบ้านแถวนั้นบอกว่ามักจะได้ยินเสียงคร่ำกวนหวยหวนของผู้หญิงในบ้านหลังนั้นอยู่เสมอ สมัมผัสสิ่ง